นะเปลี่ยนตันหายเป็นชันทนะั้นนะคือไม่สนใจผลแต่ว่ามุ่งประกอบเหตุ้วยความพอใจที่ได้ทำเพราะว่าถ้าเราประกอบเหตุดีผลมันทนอยู่ไม่ได้มันต้องแสดงตัวออกมาเหมือนกับเรามีเราลดน้ากล้าไม้ถ้าเราลดน้าด้วยความเพียรด้วยความใส่ใจห ร, หรือถูกทางนะคนมันก็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 ให้สูงก็ออกมาเป็นตัวจึงได้แต่ถ้าไม่ฟักไข่แม่จะอยากให้มันออกมามันก็ไม่ออกมาลูกไก่ก็ไม่ออกมามันไม่ได้อยู่ที่ความอยากของเราตร น, นข้ามความอยากของเราอาจจะทำให้มันเกิดปัญหาโดยเฉพาะกา ร, ปรเป็นทางจิตซึ่งเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อกอย่างการฟักไข่หรืออย่างการลดน้ำต้นไม้นี่เราอาจจะลดน้ำไปด้วยอยากไปด้วยก็ได้ลดน้าไปด้วย